พร้อมกันนาทีนี้โดยความระลึกถึงคุณโยมรัตน น, ผผนนาภงษามิทอกจากมาท่ความระลึกถึงแล้วเรายังจำร่วมกันบาเพ็ญการณยรกิจต่อท่านหลายวันทุ่ผ่านมาพวกเราก็ได้มาร่วมกันบาเพ็ญบุญทุศล ให้กับท่านเพราะชาพุทธเราเชื่อว่าผู้ที่ลงรักไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยคง ม, มีแต่บุญและบาปที่จะติดตามไปแต่สิ่งที่เราจะช่วยเหลืผู้ที่ลงรักได้ <c oughs> ก็คือบางเห็นผุ้สุให้กับท่าน มีการถวายสังฆทานถวายภาพังสมกุลมีการเลี่ยงพระและเมื่อมาถึงวันนี้ <c oughs> กรณีดะกจิตอีกอย่าง <c oughs> ที่เราจะมาร่ว ก, กับบาเพนญก็คือปรงเสลีด้าของท่าน <c oughs> เพื่อกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ <c oughs> ในการาบำเพ็ญกุณฑลิยา หลายวังที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือาการแสดงธรรมาการแสดงธรรมนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้เห็นความจริงของชีวิตอันที่จริงแล้ว ความจริงหรือศัตธรรมของชีวิตสิ่งที่จะแสดงอย่างดีที่สุดไม่ใช่คำเทศนาหรือกระทำของอาตมาผู้ที่จะแสดงศัตธรรมความจริงของชีวิตได้ดีที่สุด ในโอกาสนี้ก็คือคุณโยงรัตนาซึ่งปัจบนันนี้ได้พอดร่างอยู่เบื้องหน้าเราท่านกรลังแสดงแสดง ท, ที่ชัดรมและหลักแน่นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะสัมผัสได้ด้วยตามไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินด้วยหู จากคำวิญญาณอตมาครั้งหนึ่งท่านก็เคยมีลมหายใจมีชีวิตเดินเทินไดเหมือนเราแต่บนันนี้ท่านก็นอนแน่นี้ไม่ไหวจริงและลายสุลมหายใจท่านกำลังบอกเราว่าสักครั้งหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเป็นเหมือนอย่างท่านร่างของเราก็จะนอนอยู่บนจิตตการธรรมวันนี้เรามาวัดแต่วันหน้าเราจะถูกถามเข้ามาที่วัดวันนี้เรามาฟังธรรม แต่วันหน้าเราอาจจะเป็นผู้แสดงธรรมโดยร่างที่ไล้ชีวิตของเราเพโยงรณนาตารังแซงสัตธรรมให้เราเห็นว่าชีวิตนั้นไม่เทีย่ยงไม่จีเรามีความตายเป็นที่สุด และไม่มีใครที่จะหนีพ้นตักรเราเปิดใจรักสักจธรรมดังกล่าวการมาของรเราในวันนี้จะมีอนที่สงมากเพราะว่าเราจะได้มีเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทกับชีวิต ความจริงที่ว่าชีวิตนั้นไม่กี่รังยั่งยืนมีความตายเป็นของแน่นอนเนี่ยในด้านหนึ่งก็ทําให้เราไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็เห็นความจำเป็นสูกกระตุ้นเร่งเราให้ใช้ชีวิตที่มีอยู่เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า ความจิขงข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่พระ เ, เจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นปัจฉิมโอว่าที่ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความให้ประหมาทให้ถึงพร้อมหรือว่าท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความให้ประม า, า, ะาท ประโยชน์ที่ว่าคืออะไรประโยชน์ที่ว่าคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมนุษย์เราไม่ใช่ง่ายในการที่เราจะได้เกิดมาในโลกนี้ชีวิตของเราในแต่ละนาทีจะมีค่าเมื่อเราตระหนักว่าสักวันมัเก็จะต้องหลดลมสักวันชีวิตของเราก็จะถาดสัญ หากเราเลือกอยู่เสมอเราก็จะผลขวายในการทําให้ชีวิตของเราเป็นประโยชน์จะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้ค่าประโยชน์ที่ว่าเนี่ยนะดังที่ได้กล่าวเวลา้แล้วก็คือประโยชน์คนและประโยชน์ท่านผู้จําเป็นรูปธรรมคือว่าการได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ อันได้แก่าการได้เข้าถึงความสมุบเย็นเป็นสุขเพื่อทำรวมทั้งได้เพื่อเพื่อเพื่อกูนความเป็นประโยชน์แก่เพื่อมนุษย์และส่วนรวมสรุปอย่างสั้นๆเพื่อคำสอนพระอาจารย์พื่อท่าตก็คือสุบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้จะว่าไปก็คือสาระฐานแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นคุณค่าของชีวิตที่เราโชคดีที่ได้เกิดมาในเพศในร่างมนุษย์ถาว่าวเราตระหนักถึงความจำกัดของชีวิตเราก็จะเล่นขนขววยในการที่จะทำเพื่อนให้เกิดประโยชน์ได้เข้าถึงสารฐานแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่ได้จำกัดนะยังไม่ได้ในความถึงการบรรลุให้ถึงจุดหมายของชีวิตหลายคนมีจุดหมายในชีวิตแต่จุดหมายเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันก็หนีไปพ้นนะลาบยศสารเสรสิมและความสำเร็จ การที่ึ้นมีจุดหมายอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ว่าก็อย่าให้เราหมกมุ่นอยู่กับจดหมายลังกล่าวจนลืมสิ่งที่เป็นคุณค่าสำคัญของชีวิตนั่นคือการทำความดีการได้เข้าถึงธรรมที่อันมวยให้เกิดความสบับเย็นเป็นสุข แะได้เกื้อคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ความข้อได้รัไปถึงการที่ได้ทําหน้าที่ต่อบุคคลที่เรารักผุ้นพระคุณด้วยคนจํานวนไม่น้อยบอกมุ่นอยู่กับการไต่เต้าแสวงหาความสําเร็จของชีวิตตามคติของชาวโลกทั่วไปครั้นความตายมาถึงยังไม่ทําตั้งตัว คนเรานี่ก็จะรู้สึกเสียใจมีคนจำนวนไม่น้อยเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตตามโรงพยาบาลตา่ตา <c oughs> งๆเขามีความเสียใจที่เขาได้ปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประ โ, โยชน์อาไม่ก็มุ่งแต่การบรรลุถึงความสำเร็จของชีวิตที่วัดกันด้วยลาบลดสรรเสริญ แต่ว่าลืมทําในสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นสาระสคัญของชีวิตนี่คือชะตาการรมที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจานวนมากในยุคปัจจุบันทั้งนี้เ พ, พาราะเขาเราด้นเนี่ยลืมไปว่าสักวันหนึ่งตนนี้ก็ต้องตายและความตายนั้นเนี่ยบางครั้งก็มาอยางไห้ทนได้ตั้งตัว ที่จึงต้องพูดหมายว่าบ่อยครั้งมาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเผลอคิดไปว่าจะมีอยู่จะมีชีวิตอยู่ชั่วฟ้าดินสลายและทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องตายแต่บ่อยครั้งใจไม่ยอมรับว่าสักคนหนึ่งตัวต้องตายและความตายนั้นเนี่ย มีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากและสามารถจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้ ม, มีภา ษ, ษิตของชาวทิเบตที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่า มีพุ่งนี้แล้วถึงค่อยมีชาติหน้าสําหรับหลายคนวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาคนจากวันนี้ไปก็ชางิหน้าเลยวันนี้มีคนประมาณหนึ่งแสห้ามื่นคนทั่วโลกที่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาคนจากวันนี้ไปก็จะเดินชาติหน้า และเราก็ไม่รู้ว่าเราในที่นี้จะเป็นหนึ่งในแสงห้าหมคนหรือเปล่าแม้กระทั่งผู้พูดเองก็ยังรับประกันไม่นนได้อย่าไปที่ว่าความตายจะเกิดขึ้นพรุ่ง น, น, นี้เพราะวันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เมื่อเมื่อที่ที่แล้ว็มาได้ไปแสดงธรรมในงานศพของห้ารุ่นหนึ่งที่วัดก็จะพูดว่า นะความฟังอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ฟังคนใดคนหนึ่งในวันนี้ก็ได้ผู้ไม่ทันจบก็มีโยมคนหนึ่งหัวใจจยุดเต้นนะแล้วก็ต้องรีบพาส่งอนามัยก็ไม่ทราบว่ารอดตายหรือเปลา่าเคยไปอบรมก็เชิญความตายอย่างสมก ที่ส่วนโมกกรุงเทพนะครับคุณหมาบัญชามีกิจกรรมกำลังดำเนิน อ, อยู่จูๆก็มีอีมคนหนึ่งล้มฟุบลงทีแรกก็มมเป็นลมเพราะว่าหัวใจอยุดเต้นต้องรีบปั๊มกันในโชคดีที่ปั๊มได้สำเร็จแล้วก็ปพาส่โางโเงพยาบาลได้ดทันทำให้ผู้คนที่มาอบรมเนี่ยเห็นชัดเลยว่า ความตายเนี่ยมันมาเร็ว ม, มากอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พบก็ประกฏว่าผู้คนจานวนมากเ <c oughs> มื่อถึงเวลาที่จะตายเ <c oughs> นื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแล้วก็ปล่อยชีวิตอย่างไร้ค่าไม่สามารถจะเข้าถึงคุณค่าสาระของชีวิตได้จึงมีความเสียใจ เสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาให้เป็นประโยชน์คนร่ำนัดจะมัวไม่นอดประสบความสเ็จในชีวิตเท้าวัดตามมาตรฐานของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่มากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่รอบตัวแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะตายก็กลับไปพบความหมายของชีวิต ที่ประเทศอินเดียเมื่อประมาณทั้งสาม ร, ร้อยปีก่อนมีเอกสารองค์หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มากชื่ออารังเซ็อารังเซ็นี่เป็นเอกสา ร, รที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โมกุลขอยึดอหน้าจากพ่อพ่อคืชาชานซึ่งเป็นผู้สร้างทัชมหาห์หลายคนอาจจะไม่รู้จัก ช, ชาชานะแต่พอพูดทัชมหาห์ก็นึกได้อรังเซทเนี่ยยึดอำนาจากพ่อแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่มีแสนญามภาพ สามารถขยายดินแดนของอินเดียวอย่างกว้างขวางอินเดียใสมัยอัรังเซ็เนี่ยมีประชากรมากที่สุดในโลกเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกยิ่ง ก, กว่าอังกฤษซึ่งมีพระนางวิสเบตเนะเป็นพระราชินีใช่ไอัลรังเซ็ต่อความสำเร็จในการขยายดินแดนอย่างกว้างขวางจนกรังอายุเกือบ90เมื่อเขากล้จตาเนี่ย เขาพูดกับผู้ชายเพราะว่าฉันมาโลกนี้อย่างคนแปลกหน้าและกำลังจะไปอย่างคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครและมาทำอะไรคนที่ยิ่งใหญประสบความสำเจในชีวิตเมือ่อไกยตาเนี่ยกับแสดงน้ำเสียงของความทุกส์ุกผิดหวังเสียใจ ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เส้นเนี่ยมันนึกได้ตอนที่กลยากตายน่ความตายเนี่ ย, าายบ่อยครั้งเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คนได้เห็นตระหนักถึงสัจธรรมแต่ก็บ่อยครั้งก็สายเกินไปที่จะทำอะไรได้เพราะว่าม่สงกาส่อมแล้วงั้นถ้าเราเริ่มถึงความตายอยู่เสมอ เราลึก ว, ว่าชีวเราไม่เที่ยงไม่จรรังเราจะไม่ประมาทกับเวลาจะไม่ปล่อยชีวิตให้ร่วงเลยแต่จะเปล่าประโยชน์จะเล่งสร้างคุณงามความดีไม่เพียงแต่แสวงห า, าความสําเร็จเท่านั้นและพยายามจะที่พยายามที่ารละเว้นความชั่วเพื่อเพื่อเพื่อผู้อื่นการทําความดีละเว้นความชั่วเหล่านี้เนี่ย มันไม่เป็นกแต่ทำให้เรามีความสุขรู้สึกพิมเป็เต็มอีกกับชีวิตเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายเราก็ไม่เสียายชีวิตไม่มีความวิตกกไม่มีความสุขถิแจะว่าไปแล้วมันก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับ การเผชิญกับความตายได้อย่างหนึ่งที่พูดมานะเป็นแค่อันที่สองเบื้องต้นนะเมื่อเราถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในด้านนึงก็ทำให้เราใช้ที่แต่งึัวค่าอีกด้านนึงก็เตือนให้เราตระหนักว่าเมื่อถึงวัาที่เราต้องตายเราพร้อมตายหรือยังหลายคนเนี่ย มุ่งแต่สแสวงหาหรือบรรลุให้ถึงจุดหมายของชีวิตแต่ลืมไปว่าชีวิตนี้มันมีปลายทางด้วยอย่าเพียงแต่สนใจจุดหมายชีวิตจนลืมว่าชีวิตก็มีปลายทางบ่อยครั้งจุดหมายกับปลายทางก็ไม่ใช่อันเดียวกันจุดหมายชีวิตก็อันหนึ่งแต่ปลายทางชีวิตเป็นอีกอันหนึ่งหลายคนสนใจแต่จุดหมายของชีวิตบรรลุไปให้ถึงจุดหมาย แต่ว่ารื้ว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเวเองก็ต้องถึงปลายทางแต่ถ้าเรามางานศพแล้วเราเปิดใจนะรับรู้สัจธรรมที่ท่านผู้วายชนได้แสดงให้กับเราอยู่เบื้องหน้าขณะนี้เนี่ยก็ทำให้เราเกิดความเกิดคาถามขึ้นมาว่าเมื่อถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราพร้อมตายไหม หลายคนไม่เคยคิดเพราะว่ามุหมกมุ่นอยู่กับการไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตแต่แม้จะตนามที่เราตระหนักว่าชีวิตเรามันมีปลายทางไม่ว่าจะขึ้นถึงจุดหมายสูงสุดซึ่งเปรียบเหมือนกับยอดเขาแต่สุดท้ายเราก็ต้องลงจากเขาไม่มีใครที่จะอยู่บนเขาเช่นเอเวอเรสไปได้ตลอดอย่างมากก็อยู่ได้แค่สองสามนาทีก็ต้องรีบลงมาสู่พื้นโลก ไม่ว่าเราจะไปรู้จุดหมายของชีวิตหรือไม่สุดท้ายเราก็ต้องตายกับทุกคนถ้าหาว่าเราตระหนักว่าเราต้องตายและมีคําถามถว่าเราพร้อมที่จะตายหรือยังมันก็จะทำให้เราเนี่ยหนึ่งนขนควายในการทําความดีและรับเว้นความชั่วเพราะว่าเมื่อเราทําความดีเมื่อถึงเวลาจะตาย เราก็ไม่กลัวภรโลกไม่กลัวความตายพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บําเพ็ญบารมีเพื่อกา ร, ร, ารบรรลุพระสัมมาสัมพุทธียาพระโพธิสัตว์เนี่ยได้เคยกล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อไม่กลัวภรโลกและอีกตอนกะกล่าวว่าเราไม่เคยทําช่วยในที่ใดเลย จึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงดั้การเตรียมตัวตายหรือว่าการเตรียมพร้อมที่จตายนีนะ <c oughs> ก็คือการบำเทําความดี <c oughs> การรับเว่นความชั่ว <c oughs> การที่เราจะคิดแต่เรื่องการอยู่ดีนั้นไม่พอต้องเรื่องการตายดีด้วยและการเตรียมตายดีนั้นเป็นไปได้ ตายนี้คือตายโดยไม่ทุรนทุรายตายยังมีสติหรือไม่หลงตายและเมื่อตายแล้วนะก็ไปสุคติ mm hmm. คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตายดีส่วนก็เพราะไม่อยากจะนึกถึงความตายของตัวเพราะนึกเมื่อไหร่ก็จะสึกเสียวรู้ และจิตส่วนลึกก็จะพยายามปฏิเสธคนสมัยนี้แม้กระทั่งคำว่าความตายก็ไม่อยากพูดต้องยื่นไปใช้คําอื่นเช่นหมดลมสิ้นลมถึงแก่กรรมจากไปกลายเป็นว่าคำว่าความตายกายเป็นคําสแสดงหูหรือเป็นคําอุจจาร์ซึ่งแสดงถึงว่ากลัวแม้กระทัางคำว่าความตายแต่ถ้าเราเม่ได้กับการที่เราตระหนักว่าเราต้องตาย ใ น, นมาถึงค่ายตายก็ต้องตายให้ดีที่สุดเราจะมีความสำนักการเตรียมตัวตางซึ่งในด้านนั้นคือการทำความดีการเล่าเร้่ความชั่วแต่ถ้าไม่พอจะต้องเรียนรู้การปล่อยวางด้วยเพราะอุปสรรคที่ทำให้คนเราตายไม่ดีเนี่ยเาะยังมีความห่วงความแหนหรือความห่วงห่วงซัก อาห่วงห่วงทรัพย์ห่วงลูกห่วงคนรักในชายพุทธการมีพรามคนหนึ่งแะร่รวยมากพอจะตายเนี่ยแกเป็นห่วงทรัพย์สมบัติพราก็พอตายนี่ไปเกิดในท้องสุนัขเลยนะสุนัขตัวเมียแล้วก็คลอดออกมานะเป็นลูกสุนัขคอยเฝ้าบ้าน ในใกล้ชิดกับทัพ ส, สมบัติที่เัยห่วงเอาไว้ที่ตัวห่วงแหงไว้พระอีกรูปหนึง่งท่านได้จีวรใหม่มาจากที่สาวแต่ไม่ทันจะได้ของจีวรนั้นให้ก็มรัณภาพที่สุดท้ายท่านเนี่ยนึกถึงจีวรนั้นด้วยความอาลายัยด้วยความเสียใจพอตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนในจีวรเพราะว่ามีความห่วง มีความออนไลน์ในทั ส, สมัิอย่างนี้ก็เรียกไปไม่ดีแต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าใครไปดีหรือไปไม่ดีไปทุกขกติหรือสุกติแต่เราสามารถจะรู้ได้ว่าตอนที่เขาใกล้จะตายเนี่ยเขาทุลมทุลายหรือว่าเขายอมรับความตายเขาสามารถทีจ่จะสงบ ในภาวะที่ความตายใกล้จะมาถึงได้อะไรทําให้บางคน <c oughs> เขาทุรนทุรายกระสับกระส่า ย, ยก่อนตายอะไรทําให้บางคนเนี่ยสามารถที่จะตายสงบได้คำตอบก็คือมีความพวงมีความติกกมมมมดมั่นถือมอั่นถือปาปล่อยวางได้ไหมถ้ายัางปล่อยวางรูปไม่ได้ปล่อยวางหลาไม่ได้ ตายแล้วก็อาจจะตาหลับไม่สนิทมีแม่คนหนึ่งก่อนตายเนี่ยเธอก็พูดแต่ลูกพูดถึงลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบเป็นผู้ชายเป่าห่วงว่าจะเจรลยรอยตามพี่ชายสองคน ซึ่งติดยาแล้วก็ติดคุกพอเธอตายตาเธอก็เปิดตาพยาบาลจะปิดเปลือกตายยังไงก็ไม่สำเร็จวันรุ่ขึ้นญาติผู้ย่างมารับศพเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยจุดธูปแล้วก็บอกผู้ตายว่าอย่าห่วงนะัลูกชายเนี่ยคนสุดท้องฉันจะรับไปดูแลเ็น ไม่น่าเชื่อว่าพอจุดทูบเสร็จเนี่ยสามารถจะปิดเปอกตามของผู้ตายได้สมมติว่าหมดหว่วงนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยยังมีห่วงอันนี้ที่เรียกว่าตายตามไม่มาแต่คนเราไม่ได้ห่วงเฉพาะลูกหลานคนรักอาจจะห่วงทรัพย์สมบัติก็ได้บางคนาารูน้ว่ากำลังจะตายบอกให้ลูก ไปหาทนายมาเพื่อทําพินัยกรรมเพราะตัวเองไตาวานมาล้างตายมาเกือบสิปีแนละ้วคงจะอยู่ได้ไม่นานลูกก็ไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะเป็นลากร้ายก็ไม่ยอมเรียกทนายความมาก็เป็นน้ำไม่ได้ทําพินัยกรรมสักทีหลังจากนั้นสองสเดือนไปล้างไตเขาบอ ก, ก, ก, กว่าราะเซ็นในสมอไตปั๊มอยู่สองวันไม่สําเร็จ ตอนที่ลุงคนนั้นตายเนี่ยแกน้าจีคือคืะขโมยเหมือนกับว่ายังมีอะไรที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็สงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไหนกันไม่ปล่าเมื่อพระเจ้าได้แนะนำหรือไปช่วยนำทางผู้ใกล้ตายนอกจากพระองค์จะน้อมใจเข้าไปนึกถึง พระัตนตรยเรียกถึงพระพุทธธรรมพระงสงฆ์ที่ตนศรัทธาแล้วก็ให้เรารูกถึงความดีที่ได้บรเพินและสุดท้ายก็ให้เขาปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติคนรักปล่อยวางสัตว์เลี้ยงปล่อยวางแม้กระทั่งสวรรค์ว่าจะไปเกิดชั้นไหนก็ไม่ต้องคิดถึง ซึ่งก็ช่วยทําให้ผู้จากไปนั้นนี่ยไปสู่สุกติได้แต่ก็อยัางที่บอกว่าผูุู้ชนเราอย่างเราเราก็คงไม่ทราบว่าผู้ที่ร่วงลับนั้นไปสุกติหรือเปล่าแต่เราก็ดูได้จากอากลับปริยาของเขาต่อนตายว่าทุรนทุลายหรือว่าสงบการที่คนเราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ เพื่อนที่จะได้ไปสงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาทำเอกตอได้จะตายแต่ก็ควรจะทำนะในแง่ที่เรายังมีชีวิตปกติอยู่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางในที่นี่คือปล่อยวางที่ใจและหน้าที่การงานจะมีความรับผิดชอบอยู่ แต่หากว่าเงินหายของหายหรือถูกต่อว่าด่าทอก็ปล่อยวางได้ไม่ออกมาเป็นอารมณ์การปล่อยวางมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะแต่ต้องอาศัยการภาวนาถ้าเราหมันจเจริญสติภาวนาอยู่เสมอและภาวนาถูกวิธีเราก็จะสามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางความคิดที่ทําให้วิตกกังวลปล่อยวางความคิดที่ชอบไปจมอยู่กับอดีตทาให้เศร้าโศกเสียใจ การรู้จักปล่อยวางมันจะช่วยทำให้เราไม่เพียงแต่มีชีวิตที่ผาสุกปลอดโป ร, ร่งร่มเบาสบายบ้านที่เวลาจะตายก็ตายอย่างสงบได้การเจริญสติการภาวนายังช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับอารมณต์ต่างๆที่เข้ามารบกวน ก่อนที่เราจะตายอาจจะไม่ใช่ความโงแหวนแต่จะเป็นความโกรธอาจจะเป็นความราจจามู้สึกผิดที่ติดค้างใจทําความดีแต่บางทีก็อาจจะมีความรู้สึกผิดติดค้างใจและความสุกผิดติดค้างใจเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทําให้ทุรนทุรายได้ ในสาวพฤตการ์นาเมริกาทีวีเป็นเหสีพระเจ้าประสิทธิโกศนเป็นคนที่ชวนให้พระเจ้าประเสิทธิโกศล์ทำบุญทำบุศล์ผ่านมาสมาทานในพระรัตนตรัยแต่ว่าเธอตายตั้งแต่ยังสาวตอนที่เธตายเนี่ยจิตไปหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปโกหกพระเจ้าประเสิทธิโกศนเอาไว้ น่าจะโกงได้สำเร็จแต่ว่าตอนจะตายก็รู้สึกจิตเศร้าหมองนะเพราะว่ามันเป็นูุสาวาพแวก็พอตายปุ๊บเนี่ยนะเนื่องจากจิตสุดท้ายเป็นอกุศลนะก็ไปอาบาลเป็นเวลาถึงเจ็ดวันนะก่อนที่การดีที่ทำนี่จะสงผลแต่ก็ใช่นเดียวกัน อย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเร า, าเราประชชนเราไม่รู้เราใครจะไปถุกติหรือไม่แต่เรารู้ว่าก่อนตายเนี่ยถ้ามีความสุขผิดนะก็จะกระสับกระสายจะทุรนทุรายบางคนรู้สึกถิดที่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ได้บอกกับพ่อเอาไว้บอกแม่เอาไว้ <c oughs> อย่มีชายหนึ่งคนหนึ่ง เธอบอกแม่ว่าถ้าเดรียเรียนจบปริญญาโทก็จะส่งเสียน้องชายแต่ว่าก็เกิดปฏิเหตุทำให้สมองตายต้องรีบไปรักษาตัวที่สินิลราในช่วงสีห้าวันที่อยู่โรงพยาบาลเวลาแม่มาเยี่ยมก็จะมีน้ำตาไหลทุกครั้งก็เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อได้สนทนากันในบุ ญ, ญาติก็มีข้อสันนิฐานว่าคงคเป็นเพราะเขาเคยรับปากกับแม่ว่าถ้าเขาเรียนจบเขาจะส่งเสียน้องแต่ตอนที่เขาทำไม่ได้นะก็เลยแนะนำให้แม่เป็นหมอลูกชายว่าไม่ต้องพวงนะแม่จะส่งเสียน้องเองพอพูดใช้นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโดนใจผู้ป่วย ในที่สุดน้ำตาก็ไม่ไหลแล้ววันลุกขึ้นก็จากไปคนเราถ้ายังมีถ้ายังทำสิ่งที่ไม่ดีหรือยังมีความผิดพลาดในชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็สามารถจะมารบกวนจิตในเวลาตายหากมีคนมาแนะนำมานำทางให้เราปล่อยวางลายความรู้สึกผิดก็ช่วยได้แต่ถ้าไม่มี ถึงตอนนั้นต้องช่วยตัวเองและถ้าเรามีสติรู้ทันนะก็จะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามางนานศพนะก็ขอให้เรานะอย่างเปิดใจรับสัธ ร, รมเพื่อกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทกับชีวิตและเห็นความจำเป็นของการที่จะเตรียมตัวตามและถ้าอย่างที่บอกนะถ้าเราได้ภาวนาดี เราจะไม่กลัวความตายเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อเราเข้าใจเรื่องนิจจังทุกขางอนาาัตตาหรือว่าได้เข้าถึงความจริงว่ามันไม่มีแม้กระทั่งตัวเราที่จะเป็นผู้ตายเลยถ้าจารเพื่อท่านสอนว่าให้เตรียมตัวตายด้วยการตายของตาย ก็คือทำให้ความคิดมากใน ต, ตัวกูเนี่ยมันตายก่อนที่จะชินลมถึงตอนนั้นความตายก็ไม่งากลัวมันจะมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลและคนที่ไฟให้ความสำมเ ร, ร็จตามภาวนานะเมื่อถึงเวลาที่จะตายก็สามารถจะตายสงบได้คุหญิงใหญ่วิเศษิทธิ์นะ เป็นอุบาสิกาที่น่าสนใจท่านหนึ่งเป็นผู้ที่รู้ธรรมะนะอย่างมากทั้งในเชิงปริยัติและปฏิบัติหนังสือของท่านเนี่ยเพิ่งมีผู้ค้นพบว่าเป็นผลงานของท่านหลังจากที่ไปเข้าใจมีคนเข้าใจถึงบรรด า, นานว่าเป็นผลงานของหลวงปู่มั่นกุลิทัตโตเบิด <c oughs> ่าน เข้าสู่วัชรานะที่จริงก็ไม่ชราเท่าไหร่นะอายุห้าสิกว่าท่านก็บวชชีบวชได้ประมาณสิ็ปีท่านก็เป็นเบาหวานแล้วก็แรงมากจนรทัางวันหนึ่งเนี่ยหมอก็มาเ <c oughs> ยีย่ยมมาตรวจอาการหมอบอกว่าจะอยู่ได้จะอยู่ได้อีกนานท่านบอกว่าหมออย่ามาหลอกฉันเลยคือท่านรู้อาการท่านดี ท่านบเพ็ญภาวนาแเจอนสติเสมอเมื่อถึงวันที่ท่านแต่ละสังขารรู้ตัวก็บอกนิมนต์ให้พระเนี่ยมามาเยี่ยนท่านเมื่อพระมาท่านก็แนะนำให้สวดบทนั้นบทนี้ที่จริงท่านท่องเป็นบทนั้นแต่ว่าการฟังพระมาสวดบทในนี้สุดท้ายเนี่ยถือเป็นมงคล พระสวดจบก็สนทนาทนธรรมสนทนาธรรมสักพักท่านก็บอกว่าที่ฉันนะขอทึงสังขารไว้ที่นี่แล้วก็กราบพอกราบสามจบก็ฟุ่งเลยพระทีแรกก็สงสัยว่าท่านเป็นลมหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ถามมว่า น, ายยานี่ตายแนละ้วจริงหเนี่ยคือตายแบบที่เรียกว่า ขับพันมากเนละตายแบบแมีสติรู้ตัวเปิดต่ตลอดแล้ว่าจะมีทุกขเวทนาอีกทันตต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างว่าการตายของสงฆ์เนี่ยเป็นไปได้ถ้าว่าเราได้ฝึกเราได้มันทําความเพียรภาวนาเป็นนิดด้วยการเจริญมรรสติเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มางานศพอย่างวันนี้เนี่ยนะก็ขอให้เราได้เปิดใจ เรียนรู้สัาธรรมที่คุณโยมรัตนาพงภาณิชย์ได้สแสดงแก่เราและใช้เป็นเครื่องกระ ต, ตุ้นเตือนใจให้หมั่นทำความดีใช้ชีที่มีคุณค่าและขณะเดือนกันก็พยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมใจมวอยู่เสมอเพื่อที่จะรับความตายซึ่งจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรก็ไม่รู้ คนเราอยารู้แต่เรื่องการอยู่ดีนะคอยที่ถึงเรื่องการตายดีด้วยและที่จริงการอยู่ดีกับการตายดีก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราอยู่ดีนะในความหมายที่ว่ามีคุณธรรมความดีบาเพ็ญภาวนายอยู่เป็นนิดการตายดีก็เป็นไปได้และถ้าเราอยากจะตายดีนะมันก็จะตุ้นให้เราเนี่ยมันทำความดีถ้านาจารย์ท่าเคยบอกว่าจะเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดอย่างไร เป็นปุจฉาและวิสัชนาถือว่าก็เตรียมอยู่ให้ดีแล้วจะอยู่ให้ดีได้อย่างไรนะก็คือเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดอาตมาได้กล่าวมาพอสมควรใจเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออ้างคุณพระศรีนในใรันตนกร่ยอำนวยวยฝนให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันน่าสุขภาพละเพื่อเป็นพระบปัจจัยในการทำความดีงานให้ถึงพร้อด้วยทานสีนนา คลาเกิดปัญญาพาติออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุประเสนสารเมื่ออยู่ก็ยังอยู่ได้ยังมีความสุขไม่จะตายก็าตายอย่างสงบและหากมีปัญญาที่จะพาตนนี้ก้ถึงความสุเปเสนสารนี่คือพรนิพพานโดยยิ่งท่ากับว่าได้ใช้ประโยชน์สูงได้บรรลุถึงประโยชน์สูขขงสุดแห่งคาเป็นมนุษย์ตามคติของพุทธศาสนาแล้วคลายมูลบุญที่เราได้มาเป็นในวันนี้จงเป็นเราปัจจัยเป็นวิปากสมบัติ อำนวยสุขสมบัติให้กับคุณโยมรัตนาพงพานิ์นะตามเพืนแก่กติวิสัยด้วยการเทิร